ตอนใกล้ตายไม่ว่าใครก็จะรีบร้อนเป็นคนดีกันหมดตอนมีชีวิตมีโอกาสเป็นคนดีอีกนานๆไม่ค่อยมีใครใกล้คุนขวายกันนักแต่ตอนใกล้ตายไม่ว่าใครก็จะรีบร้อนเป็นคนดีกันหมดไม่มีใครเป็นคนดีตั้งแต่เกิดเราไม่อาจรู้ได้เองว่าจะดีไปทาไมเห็นแต่ว่า เป็นคนดีมักพลาดโอกาสสนุกถึงใจและนนำซ้ำเพื่อที่จะดีได้จริงก็ไม่ง่ายเหมือนฝึกเรียนฝึกเล่นอะไรอะไรที่ใช้เวลาไม่กี่ปีบางทีแค่เปลี่ยนนิสัยแย่ๆนิสัยเดียวอาจต้องใช้เวลากันทั้งชีวิตไหนจะต้องฟ้าดานฝืนใจมองเขามายอมรับนิสัยแย่ๆของตัวเองไหนจะต้องมั่นเห็นโทษของนิสัยนั้นๆจนขึ้นใจ ไหนจะต้องสั่งสมกำลังใจเพื่อเอาชนะความเคยชินเดิมๆไหนจะต้องลงสนามทดสอบของจริงซ้ําหลายๆรอบไหนจะต้องรบกับความพันผวนอย่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมที่คนเราเริ่มสมัครใจและเต็มใจเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นมักไม่ใช่เพราะใครชีโทษหรือเห็นโทษของนิสัยแย่ๆของตน แต่เป็นเพราะเริ่มเชื่อเรื่องกฎธรรมชาติที่ควบคุมชีวิตทุกคนไว้เชื่อว่าไม่มีใครได้กําเนิดดีๆ ด, ด้วยความบังเอิญเชื่อว่าไม่มีใครตายแล้วจบสิน้นหนีกรรมตามกายเชื่อว่าตายดีคือตายไปพร้อมกับใจดีๆไม่ใช่ตายบนฟูกนอนนุ่มๆเชื่อว่าเปลี่ยนกรรมคือเปลี่ยนทางเชื่อว่า ทุกคนเปลี่ยนกรรมได้ทันในชาติเดียวระหว่างดีเดียวเดียวกับดีตลอดชีวิตแตกต่างกันตั้งแต่ความรู้สึกในตัวตนขณะยังมีลมหายใจและแตกต่างที่สุดตรงความรู้สึกขณะใกล้สิ้นลมหายใจ